ต้องพร้อมองค์กันการเขียนปฏิบัติของพระธุดงค์รู้สึกสับสนวกเวียนทําให้ท่านผู้อ่านเวียนศรีรษะไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติของท่านมีหลายแขนงและรวมคําว่าปฏิบัติของพระธุดงค์ไว้ด้วยจึงได้แยกออกแสดงเป็นแขนงนๆของแต่ละท่านที่ฝึกทรมานตนเพียงการอยู่ป่าของท่านก็ยังเขียนไม่จบจําต้องพักไว้เขียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันไปก่อน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 เมื่อเห็นว่าเป็นที่สะดวกใจเพราะสถานที่เช่นไรท่านมักจะชอบอยู่ในสถานที่เชนนั้นเป็นปกตินิสัยตลอดไปไม่ค่อยผิดกับครั้งพุทธการที่พระสาวกท่านชอบอยู่ตามนิสัยอะไรนักเช่นองค์ชอบอยู่ป่าอยู่เขาท่านก็อยู่ของท่านไปเรื่อยๆจนถึงอายุไขดังพระอัญญาโกนทัญญะเป็นตัวอย่างเมื่อถึงการจะนิพพานแล้วค่อยออกจากป่าจากเขามอเฝ้าพระาศาสดาและทูลาเข้าสู่นิพพาน จนพระภิกษุหนุ่มสามาเณรน้อยทั้งหลายในสำนักพระศาสดาที่ไม่เคยเห็นองค์ท่านซึ่งครองผ้าที่ย้อมด้วยดินแดงเพราะไม่มีสีกลักหรือสีแก่นขนุนจะย้อมเนื่องจากอยู่ในป่าลึกอันรกชัดพากาันสงสัยนึกว่าขรัวตาบริโภคมาจากที่ไหนจึงทูลถามพระพุทธเจ้าตามความรู้สึกของตนของตนว่าพระพุทธเจ้าข่าขัวตาองค์นี้มาจากที่ไหนดูสีผ้าแล้ว หน้ากลัวจริงแดงเหมือนจะยอ้อมด้วยเลือดอะไรไม่ทราบพระองค์ทรงเห็นอาการไม่ดีของพระหนุ่มเนน้อยทั้งหลายที่แสดงอาการสงสัยไม่เคารพท่านจึงรับสั่งทันทีว่านี่แลคือพระอัญญากนธัญญาพิชายของเธอทั้งหลายซึ่งมรลุธรรมกรเคยใครทั้งหมดในบรรดาสาวกของเราสถาคตจงพากันจำพิชายของเธอทั้งหลายไว้แต่บัดนี้เป็นต้นไปพระอัญญากนธัญญะเธอเป็นพระอรหะ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 โดยมิได้สํานึกอะไรก่อนและเกิดความเลื่อมใสในองค์ท่านพระอัญญาโกลธัญญะมากทั้งด้วยความเสียดายที่ท่านได้จากไปเสียก่อนที่จะรู้จักเรื่องท่านในดีจากพระศาสดาเรื่องที่ยกมากับเรื่องพระธุดงค์ที่ท่านปฏิบัติดําเนินตามท่านอาจารย์มันในการชอบอยู่ฝ่าอยู่เขาตามนิสัยนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ผิดการก็พระอัญญาโกลธัญญะท่านเป็น พระอาหารหันต์ทราบตามทั่วแดนพุทธศาสนิกแต่ท่านที่ดาเนินตามท่านอาจารย์มั่นเรื่อยมาจนทุกวันนี้ท่านจะเป็นพระอะไรบ้างจะมีส่วนอย่างท่านบ้างหรือมีแต่ปุถุล้วนผู้เขียนทราบไม่ได้จึงเรียนไว้เท่าที่ความสามารถอํานวยส่วนท่านที่ทางฝึกทรมานตนด้วยการอยู่ป่าอยู่เขาและทรมานตนด้วยวิธีผ่อนอาหารท่านก็ผ่อนของท่านไปเรื่อยๆ ขา่าผ่อนนั้นคือท่านฉันแต่น้อยมีได้ฉันตามความต้องการของทาดหรือด้วยอำนาจตันหาที่อาจมีแทรกขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ในบางเวลาเช่นฉันเพียงเจ็สิบเปอร์ซนตบ้างห0สิบเปอร์เซนตบ้างห้าสิบเปอร์เซ็นตบ้างสี่สิบเอร์เซนตบ้างตามที่เห็นควรหรืออาจเพิ่มขึ้นผ่อนลงบ้างในบางโอกาสท่านพยายามผ่อนของท่านไปเรื่อย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 ถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารู้บุญคุณต่อผู้ที่เคยทำคุณแก่ตนถ้าเป็นธรรมก็คงระลึกถึงคุณของธรรมที่เคยให้คุณแก่ตนดังพระองค์ทรงกล่าวว่าิพระธรรมเป็นตัวอย่างการผอนอาหารฉันแต่น้อยทำให้ร่างกายทุกส่วนเบากําลังก็ลดน้อยลงไม่ทับกิจการภาวนาก็สะดวกและสงบได้เร็วกว่าธรรมดาที่ไม่ได้อันนี้กล่าวถึงสาหรับปลายที่ถูกกัปจริต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 เป็นครั้งละหกเจ็ดวันบ้างแปเก้าวันบ้างในระหว่างที่กำลังอดก็ภาวนาไปและสังเกตจิตและธาตุขันไปด้วยถ้าเห็นว่าทุกส่วนยังดีก็อดไปบ้างฉันบ้างสลับกันไปจนกลายเป็นอดครั้งละหลายๆ า, ายวันขึ้นไปเรื่อยๆคือครั้งละส0 4สี่สบห้าวันบ้างสิบหกสิบเจ็ดวันบ้างจนถึงเดือนก็มีในบางรายขณะที่กาลังอดอาหารนั้นถ้าธารู้สึกอ่อนเสียมาก ท่านกอฉันนมบ้างเป็นบางวันระหว่างที่อดสําหรับปลายที่ถู ก, กับนิสัยย่อมได้ประโยชน์หลายอย่างคือความง่วงเหงาห้านอนนับแต่สองคืนร่วงไปแล้วไม่ค่อยมียิ่งหลายคืนร่วงไปเท่าไหร่ความง่วงไม่รบกวนเลยนั่งอยู่ที่ไหนกายก็ที่มั่งอยู่ตลอดเวลาเหมือนหัวต่อไม่มีอาการสบระบังงงกันใดๆทั้งสิ้นสติดีไม่ค่อยเผลอ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 ไปตามสิ่งที่มาสัมผัสชน้ดต่างๆไม่มีประมาณจิตเพลินต่อการพิจารณาในธรรมทั้งหลายหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรเรากับฉันอาหารอยู่โดยปกติถ้ารู้สึกเมื่อยหิวอ่อนเพลียก็ต่อเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิหรือจิตพักจากการพิจารณาและเวลาออกเปลี่ยนอิริยาบถจึงจะรู้สึกต่อ น, นั้นเวลาจิตเข้าสมาธิและกําลังพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ไม่รู้สึกหิวหรืออ่อนเพลียเลย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 อิ่มแล้วคิดถึงแต่หมอนแทนที่จะคิดถึงอัดถึงธรำเหมือนเวลาอดจึงไม่อยากฉันเพราะเวลาฉันแล้วภาวนาให้เป็นป้าแทนที่กายมีกําลังแล้วจะดีระหว่ังจิตกับขันทะเลาะกันอย่างนี้แหลเจ้าของต้องตัดสินให้อดบ้างอิ่บ้างนั้นแลดีจิตก็ได้ประโยชน์กายก็รู้จักอดทนสิบบ้างไม่ปลนเปลื้มจนเกินไปซึ่งเป็นทางของสัตว์เดรัจฉานมีจะ ก, กินกับนอนการอดมากก็ทนไม่ไหวกายต้องแตก การอิ่มมากก็ขี้เกียจวิ่งหาแต่หมอนแทนที่จะวิ่งหาอัดหาทําทเหมือนเวลาอดการอดอาหารมีประโยชน์หลายอย่างดังนี้แลเวลาที่กําลังอดเป็นเวลาที่เร่งความเพียนเต็มที่ในอิริยาบดต่างๆการหลับนอนมีน้อยหลับนีบเดียวก็พอกับความต้องการของาธาตุโดยไม่มีความโง่โงอีกเลยสําหรับปลายที่ถูกกัจจริตทําให้เห็นทันตาทั้งด้านสมาธิและปัญญาความหิวจัด จะมีเฉพาะสองสาวันแรกพอเลยไปหลายวันแล้วความหิวก็เบาลงแต่ความอ่อนเพลียค่อยเพิ่มขึ้นจิตก็มีความละเอียดแยกคายไปโดยลำดับตามวันที่อดดังนั้นถึงวันจะฉันจึงทำให้เสียดายได้จะอดต่อไปแต่ถ้าขันรู้สึกเต็มทนต้องผอนให้เขาบ้างไม่เช่นนั้นทำงานไม่ตลอดสายถ้าขันจะทลายไปก่อนกิเลสจาต้องยิวยากันไปถ้าจะทาตามใจตายคงไปไม่รอดแน่ แต่ถ้าจะปล่อยตามร่างกายที่เขาต้องการใจก็คงไม่ได้ดื่มทำต่างความมุ่งหมายเท่าที่ควรจะได้การอดอาหารในผลประจักษ์ทั้งสมาธิและปัญญาจึงทำให้เราลึกถึงพระพุทธองค์เวลาทรงทำทุกตระกิริยาไม่สวยพระกยาหารด้วยทรงมุ่งความตรัสรู้ธรรมจากการทรงอดโดยท่าเดียวไม่ทรงบำเพ็ญเพียรทางใจจึงไม่ทรงปรากฏผลในเวลานั้น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 ไม่ทับใจจนเกินไปในเวลานั้นแม้พระองค์จะทรงตหนิว่าการอด อ, อาหารมิใช่ทางตรัสรูนั้นคงไม่ได้หมายการอดเพื่อความเพียนทางใจด้วยน่าจะหมายการอดเพื่อตรัสรู้ล้วนจึงผิดทางเพราะการตรัสรูหรือบรรลุธรรมต้องหมายถึงใจเป็นสำคัญมิได้หมายถึงกายใจอย่างใดเลยเนื่องจากกิเลสมีอยู่ที่ใจอย่างเดียวมิได้อยู่ที่กาย ส่วนกายเป็นปัจจัยเครื่องหนุนกิเลสให้กำเริบพลุ่แรงได้นั้นมีทางเป็นได้เช่นเวลาธาตุมีกำลังเป็นที่จะแสดงให้ใจที่อบรมมาด้วยดีแล้วรู้ทันทีว่าขันกำเริบถ้ามีกิเลสอยู่ในใจด้วยแล้วก็ต้องฉุดลากกันไปใหญ่ดีไม่ดีตามไม่ทันเสีด้วยและพากันจมปลักไปเลยจนโผล่ขึ้นจากปลักในเวลาพอตัวแล้วถึงจะทราบข่าสังเกตแต่ทาไมาสังเกตก็ไม่มีทางทราบได้ตลอดไป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 อดได้ทีละหลายหลายวันจึงชันเสียวันสองวันแล้วก็อดต่อไปอีกบางองค์อดได้ถึงสิบสี่สิบห้าวันก็มีนับว่าท่านอดทนอยู่มากบางองค์ก็อดได้ราวเก้าถึงสิบวันท่านอดได้เช่นเดียวกับพระไทยเราท่านบอกว่าขณะอดอาหารจิตไม่ค่อยดิ้นรนกวัดแกวงบังคับง่ายกว่าปกติที่ไม่ได้อดทั้งจิตก็สงบเย็นดีและสม่ำเสมอ ไม่บอกแหวกนแคลนอย่างง่ายดายจึงทำมอยากอดบ่อยๆเพื่อจิตจะได้ข้าวหน้าเร็วเท่าที่ควรดังนี้จึงน่าสงสารและอนุโมทนากับท่านที่อุตส่าห์ข้ามน้ําข้ามทะเลมาบวชในพระพุทธศาสนามาจําสิลภาวนาด้วยความอดอยากกันดานข้าวปลาอาหารก็ไม่ค่อยฉันทั้งจากบ้านจากเมืองจากบิดามารดาวงษาคนาดให ญ, ญ่เป็นรานานปีไม่ค่อยบ่นว่าคิดถึงบ้านคิดถึงเมือง คิดถึงหมูเพื่อนญาติวงศ์พงพันธ์ที่เคยอยู่อาศัยใกล้คิดสนิทสนมมาแต่ก่อนเลยนักว่าท่านบวชมาเพื่อสแสวงหาธรรมความเจริญจริงๆสมเป็นชาติที่ฉลาดมาดั่งเดิมไม่เคยแสดงความเย่อหยิ่งถือตัวให้ประกษเลยมีแต่ความอ่อนน้อมทอมตนทุกอาการที่น่าเลืมใส่การวางตนกับพระในวัดท่านปฏิบัติได้ดีพระฝรั่งที่อยู่ในวัดนั้น แค่ทุกองค์ชอบอดอาหารกันโดยมิได้ชักชวนเห็นหมู่เพื่อนอดท่านก็ถานเมื่อได้ความแล้วท่านก็อดทดลองดูบ้างต่อมาเลยเห็นท่านอดกันเรื่อยเมื่อถามก็ตอบว่าภาวนาดีกว่าปกติจึงชอบอดบ่อยเรื่อยมายิ่งในภรรษา ซ, ซึ่งเป็นเวลาว่างบ้างและเป็นเวลาท่านเร่งความเพียรในวัดนั้นบางวันแทบไมมีพระออกบิณฑบาตฉันกันเพราะเมื่อไม่ฉันก็ไม่จําเป็นต้องไป ต่างองค์ต่างอดองค์ละสี่ห้า 4, 5, วันบ้านเจ็ดแปดวันบ้านสิบเอ็ดสิบสองวันบ้านครึ่งเดือนบ้างขอนเดือนบ้างจนออกพรรษ า, าทั้งพระไทยพระเทศอดเหมือนกันและได้องละหลายหลายวันเหมือนกันที่วัดนั้นในภารษาเจ็ดวันประชุมธรรมกัน ห, นหนึ่งตลอดไปจนออกพรรษาเพื่อเป็นการส่งเสริมความเพียรทางใจให้ก้าวหน้าตามโอกาสอํานวยออกพรรษาแล้ว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 กณะครัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจะริดกับทาเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสําคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไปเช่นรายที่จิตผ่าโผล่ไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครใง่ายๆอย่างนี้โดยมากรายนั้นต้องเป็นอาจารย์สุกทรมานตนเองด้วยอุบายวิธีที่เผ็ดร้อนเป็นพิเศษแฝงไปด้วยรายเช่นนั้นท่านชอบเข้าไปอยู่ในที่ขับขัน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 ย่อมมีคำดูดาคูเข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมทั้งหลายที่นำมาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่อว่าที่ไคเราะอ่ อ, อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไปเพราะบางรายอาชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดูดาคูเข็นก็ทำให้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจ ซึ่งเคยเห็นท่านดุด่าเราและพระอื่นๆในบางคราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูคุรยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี่ยนตีหล่อล้อมลูกศิษย์ผู้โง่เขาให้เป็นผู้เป็นคนด้วยการดูด่าขู่เข็นก็นาก่นากลัวอย่างยิ่งมองดูผู้ถูกดุดา่าขูเข็นที่กำลังกรัอย่างเต็มที่จนตัวสัน่นเหมือนลูกนกถูกฝนก็น่าสงสารมากแต่ผลที่ได้รับเป็นที่กรุใจเปนนานนี่คือผลที่เกิดจากท่าน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 ผู้หวังความเจริญเข้าหน้าทั้งทางโลก ท, ทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้ท่านผู้อ่านการุณาทราบในบรรดาปฏิปทาที่นำมาแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสุลังกรรมฐานทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึกอบรมตนด้วยวิธีนั้นรายนั้นท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้นทั้งฝ่ายผลที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งกําลังนําลงพระคล้าวผันไปกับฝ่ายเหตุก็ดี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 ที่มีในตนซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้นนอกจากท่านที่สนใจในหลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตที่พลอยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรอยอยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนำไปไตร่ตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างสาหรับเราทาอย่างนี้แต่ท่านทาไมทาอย่างนั้นโดยไม่กลัว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 ส่วนความกลัวรู้สึกเพิ่มขึ้นเป็นลําดับจนตัวสันและเหงือแตกโชคไปทั้งตัวทั้งที่กําลังเป็นหน้าหนาวและกําลังหนาวจากอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้นเสือก็คำรามให้หยุดท่านจึงหาอุบายปลุกปลอบและขู่เค้นตัวเองว่าเรามาบําเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านบาเพ็ญด้วยความกล้ า, าหาญและยอมเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็มันมีความอาลัยเสียดาย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 ส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียว ก, กันกับท่านและบำเพ็ญตนเพื่อทำแท่งเดียวกันคือมรรคผลผ่านแต่ทำไมพอได้ยินเสียงเสือมาเยี่ยมและถาม ข, า ข, าขา่าวคราวความทุกข์สุขบิดบ่ากลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่าและขึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจรากับจะไม่ยอมตายไปกับโลกเขาแม้ถึงข่าวแล้วทำไมจึงมาดื้อดึงฝ่าฝืนคติธรรมที่โลกเคยเป็นกันแต่ผู้เดียว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 แต่กราพิเนตัวสั่นเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมเป็นความหยาบคายยิ่งกว่ า, าสัตว์อีกเสือเป็นสตัตว์เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งโอดนทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเของเราขณะที่เรากำลังกลัวเสือและยืนตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน้ําเช่นนี้เพื่อครูอาจารย์ทรงกระแสจิตไม่เห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะ อ, อยู่เวลานี้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 ไม่ถูกขายทอดตลาดแบบปลาเน่าที่เรากําลังเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านที่เองอยู่เวลานี้ขณะที่ท่านกําลังปลอบโยนและขู่เข็นตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้นเสือก็แสดงอาการหรัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึมกระหึมและหยุดไปเป็นพักๆราวรับจะเตือนให้ท่านได้ตียับยั้งตัวเองด้วยอุบายแห่งธรรมที่กําลังคิดคนอยู่อย่างชุลมนและเอาจริงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนไง่ายๆ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 ไม่กลัวก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดหลีกพ้นไปได้เรามาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจช้าเบียดเบียนใครถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อของเราไปทาประโยชน์เพื่อประทังชีวิตของมันพอสืบต่ออายุไปเป็นวันๆเราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มันไปยังจะดีกว่ามามัวยืนห่วงสร้างผีดิบอยู่จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหน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 แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วในปฏิปทานี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบายมากมามนะ่นักทั้งที่พระทุดงบรรดาที่เป็นสิทธิ์ท่านต่างดำเนินตามปฏิปทาสายของท่านเป็นประจำตลอดมาทุดงสิบสามข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจาไม่ลืมพ่ออยรุกขมูลร่มไม้บินสบายเป็นวัด ฉันในบาทฉันหนเดียวในวันหนึ่งหนึ่งถือผ้าบางสุกุลพ่อไม่รับอาหารที่ตามท่งทีหลังที่อ่านอธิบายซ้ำอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนทุดงนี้จบลงไปปรึกษาหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ้ำอีกเกรงว่าจะซ้ำกับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มัน่นแต่โดยมากมีความเห็นว่าอยากให้อธิบายทุดงข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์แล้วซ้าอีก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 เพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องทุดงควรสิบสามข้อจะพอมีทางทราบจากที่นี่บ้าททุดงข้ออยู่ลูกขมูลคือร่มไมนนี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนธุดงทั้งหลายวันตรัสโลธรรมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไตรภพก็ตรัสโลใต้ร่มโพคือร่มพระสีมหาโพธิ์ที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้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 จะจะรู้สึกและว้าเวต่างกันมากยิ่งกุฎีในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มเปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุฎีกับร่มไม้มีความแตกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุฎีในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าจะสนุกภาวนาเสียซ้ําอย่างสบายหายระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราศจากเครื่องอารักขา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 พราะอยู่ในท่าแห่งความเพียรทุกอิริยาบถนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังรักษาสติไม่ให้ทลาดจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยคแห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัยดังนั้นการอยู่ลุกขมูลในป่าเปลี่ยวของนักโรบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวรกในอิริยาบถแม้จิตที่ไม่เคยสงบไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไร ปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาม่ใหรพรังเถอจะบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทต่างๆก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวะธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมจำเป็น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 พระลูกศิษย์ทั้งหลายให้ชัานนึกตัวเกิดความสนใจในการอยู่รุกขมูลว่าพระเราถ้าอยากทราบเรื่องยาละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มบปเรวยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาถรรพ์หรือความขี้ขาไม่เป็นท่าของตัว จนรู้ความลึกตื้นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมมลที่ส่งมันอยากไว้พอทราบความกลัวตามนิสัยดั้งเดิมและความกล้าที่เกิดจากความเพียรที่จนชำระได้ศีล ส, สมาธิปัญญาตลอดทาเบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆย่อมเจริญขึ้นตามๆกันและรู้ประจักษ์ใจตัวเองเป็นประยะไปนั่นแลจะเห็นคุณของทุดงข้อนี้อย่างถึงใจพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงถือและถือทุดงข้อนี้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 สถานที่นี้มีใช่สถานที่งุ่มง่ามสามสติปัญญาแต่เป็นสถานที่เฟื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตถาคตจะพาไปไม่ชักชา้ายาโมพรุงพลังแบบพระราหนักโดยสำคัญว่าตนมีกำลังสามารถอยู่เลยเวลาขับหันจะไม่มีอะไรติดตัวรีบสแสวงหาไชยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมีรุกขมูลเป็นต้น จิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไร้กิเลสกองทุกข์ทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้แหละสถาคตปราปร า, รานกิเลสทั้งมวลให้เหมาะราศเสียได้นนต้นพระสีมหาโพธิอย่างไรละ่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของสถาคถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธถราชกุมารอุบัตรเป็นพระพยยุทธเจ้าที่โค้นต้นพระศรีมหาโพธินั่นแหลพวกเธอยังจะสงสัย และจะไปสแสวงหาทมที่ไหนกันอีกทําไมหาดังที่ตะขาคตพาหาพารู้นี้สถานที่ชนี้แหละคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภยัยจะพากันหลงงงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆใจงพากันค้นหาให้เจอและค้นลงที่ใจนี้โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นสนามขุดค้นดังนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหนรู้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้เพราะเป็นโอวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่มีที่น่าสงสัยว่าข้อปฏิบัติมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกปจากข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญด้วยสามีจีรมเลยยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงไว้แล้วราวกับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจให้คณะศิษย์ผู้ตาบอดลูกคล้ำกันพอให้เสดาย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 ว่าเอาทั้งเปิดทั้งกระพีทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทําประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแลพอปรงอานิจังทุกขังอนาตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุขโมนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจานการอยู่ปราศจากที่มุงที่บงังอันเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอนยิ่งตกกลางคืน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 มีความประมัดระวังผิดกับผู้อยู่ในที่มุงที่บางอยู่มากทั้งด้านอิริยาบทเกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนาฉะนั้นจิตจึงมักก้าวไปเร็วกว่ากันทั้งนี้ไม่ได้มีใครบังคับท่านให้จำต้องทำแต่เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายสุดทรมานตนเป็นเรไรไปบางครั้งขณะท่านนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในมุงใต้ร่มไม้ที่เรียกว่าลกขมูล เสือยังแอบด้องเข้ามาดูท่านอย่างเงียบๆจนถึงที่อยู่ข้อยังมีพอทราบว่าเป็นคนแล้วก็รีบถอยห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องอีกเลยที่มันแอบเข้ามาดูนั้นเข้าใจว่ามันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เสือบ้างตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นที่คนที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วยจะทราบได้ขณะที่พระท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ที่เหมือนมืดไม่จุดไฟ มันยังแอบดองเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเสทเท่านั้นและหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนิมดๆผิดสังเกตรธรรมดาถายไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึงเสือโครงใหญ่ลายพาดกรอนตัวขนาดเท่าม้าแข่งเราดีๆนี่เองไม่ใช่เสือดาว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 ประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดีเป็นคติแก่อนุชนด้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเผื่อทนไม่ได้ารมานไม่ลงโปรงไม่ตกน่ากลัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและหมู่คณะตลอดพระาศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนานและกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้วยวงกรรมฐานที่มีปมด้และพระาศาสนาที่มีปมด้ยตลอดไป เพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกว่าภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าท่านที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งทุดงกรรมฐานจนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้เพราะความเบนตายนั้นจะเป็นความลาบากกายทรมานใจมากเพียงไร ซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่าทำเครื่องนําออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องส่อให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายจะตายไปเพราะเหตุใดก็ยอมให้เป็นไปตามคติธรรมดาไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวจะอดยาขาดแคลนปัจจัยสีที่โลกอาศัย และถือกันเป็นสําคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากโมโหจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียรกล้าก็ยอมทนเพราะอยากทนทุกข์ด้วยความเพียรนั้นๆแม้สัตว์เสือตัวหิวโหวยอาหารจะมากัดและคาบเอาไปกินก็ยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสีสระอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องถึงห่วง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 ทรงเล็งเห็นความสาคัญแห่งคุณค่าในทูดวงข้อนี้ว่าเป็นธรรมเครื่องปราครามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีจึงทรงบัญญัติเป็นแนวทางไว้โลกจะได้ดําเนินตามและเผื่อท่านผู้มีใจเป็นนักรบเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ประสงค์ทำข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสารจะได้ยึดเป็นหลักชัยในการออกสงครามตามเสด็จให้ท่านพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิ่นนานเพราะทำข้อนี้เป็นเครื่อง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 ไม่นั่งนอนคอยรับทุกน้อยใหญ่จากการกระทำของผิดผู้เป็นโตการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจำตนทำข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึง่งก็ไม่น่านจะผิดเพราะพระสุตดงกรรมฐานผู้มงต่ออัตตธรรมจริงๆท่านชอบปฏิบัติธรรมข้อนี้แท้ทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจมีก็อดจะชอบทําข้อนี้ไม่ได้ นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสรารภาพตอนอย่างไม่อายทุกงง้อบินทบาทเป็นวัดการบินทบาทเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บว์เป็นสักยะบุตรพุท ธ, ธชิโนรตปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผย